การบำรุงรักษาสิ่งใดในโลกการบำรุงรักษาตนคือใจเป็นเยี่ยมจุดที่เยี่ยมยอดของโลกคือใจควรบำรุงรักษาด้วยดีได้ใจแล้วคือได้ธรรมเห็นใจแล้วคือเห็นธรรมรู้ใจแล้วคือรู้ธรรมทั้งมวลถึงใจตนแล้วคือถึง พระนิพพานพระอาจารย์มั่นพูริทัตโตสิ่งที่คนเราหวงแหนที่สุดแล้วก็รักที่สุดและอยากเป็นเจ้าของมากที่สุดก็คือใจเรา เาจะบอกว่าเราไม่รักใจเราหรอเรารักคนอื่นอันนั้นก็ยังไม่ถูกต้องนะเราจะเห็นว่าเราจะทําอะไรก็ตามเราทําเพื่ออะไรเพื่อให้มันถูกใจเราใช่ไหมบางทีเราก็บอกว่าแล้วเวลาเราเอาใจคนอื่นล่ะเพื่อถูกใจคนอื่นล่ะอันนั้นเพื่อถูกใจเราหรือเปล่าอันนั้นไม่ใช่หรอกเราจะดูว่าเนี่ยเราเอาใจคนอื่นช่วยเหลือคนอื่น ทำอะไรให้ถูกใจคนอื่นพอสุดท้ายก็ทำเพื่อทำให้คนอื่นถูกใจเราเช่นเดียวกันเพื่อความถูกใจของเราเอันนี้ถือว่าเป็นเคล็ดลับของธรรมชาติที่เราทำทุกอย่างก็เพื่อมันถูกใจเราเราทำอะไรให้ถูกใจเราการคิดการพูดการทำทุกอย่างก็เพื่อตรงนี้แหละเพราะนั้นสิ่งที่เรารักที่สุดหัวแขนงที่สุดก็คือจิตใจของเราเราจึงเดืจำเป็นจะต้องดูแล เอาใจใส่รักษาใจของเราเนี่ยให้มันเป็นปกติเข้าไว้บางครั้งร่างกายมันเจ็บไข้ได้ป่วยกายมันป่วยก็เป็นเรื่องของกายอย่าให้ใจเป็นทุกข์อย่าให้ใจป่วยด้วยปวดฟันอย่าให้ใจปวดด้วยรู้เอาไว้ปวดข่าวปวดหลังใจใจมันปวดให้รู้เอาไว้รักษาใจเอาไว้ดูแลใจให้ดีเข้าของต่างๆเนี่ย ที่มันเสียหายไปเนี่ยให้มันเสียเฉพาะสิ่งของนะอย่าให้ใจมันเสียนะสิ่งของเสียนี่บางทีมันซ่อมได้หามาเปลี่ยนใหม่ได้โอ้แต่ใจเสียนี่มันซ่อมยากหาเปลี่ยนนี่ก็ยากมากมันหาไม่เจอเลไปเปลี่ยนจิตเปลี่ยนใจได้สิ่งของเสียหายแต่ให้ใจเสียหายอันหนึ่งก็คือของบางอย่างเนี่ยมันอาจจะสูญหายไปจากเราได้คนที่เราลักคู่ครองของเรา แล้วก็เข้าของสิ่งต่างๆเนี่ยอาจจะสูญหายไปได้อาจ้ะนนเป็นสิ่งภายนอกแต่ว่าให้มีสติระวังใจไว้ใช้ใจมันหายของหายอาจจะแจ้งความให้คุณตำรวจช่วยหาได้แต่ถ้าใจหายนี่ไปแจ้งความไม่ได้นะไปแจ้งที่ไหนไม่ได้นะเราต้องหาเองเนี่ยเพราะนั้นของหายอยายใจหายเราต้องดูแลใจให้ดีการดูแลใจนั้นก็คือการมีสติ ดูแลจิตใจให้เป็นปกติมีคําคํานึงที่เรามักจะพูดว่าเราควรจะมาฝึกฝนจิตใจไว้แต่นี่เป็นคําพูดนะอันที่จริงนี่ใจนี่ไม่ต้องฝึกฝนหรอกเพราะเขาดีอยู่แล้วแต่สิ่งที่ควรจะฝึกฝนนก็คือนิสัยของเราต้องควรจะฝึกฝนให้มันดีใจเขาดีอยู่แล้วม่เหมือนกับดวงอาทิตย์เขาส่องสว่างอยู่แล้วในตอนนี้นะอาจจะดูทองป้าเมื่ดกลึ้มไปบ้างอันนี้ไม่ใช่ดวงอาทิตย์มันจะดับลงไปนะ ดวงที่เขายังสว่างอยู่แล้วแต่ว่าถูกเมฆหมอกต่างๆเนี่ยมาปกคลุมเมฆฝนฤดูการเนี่ยมาปกคลุมทําให้ดวงอาทิตย์เนี่ยดูเศร้ามองไปจริงเขายังสว่างอยู่เขาอยู่อีกด้านหนึ่งของเราใจเรากับมือนกันเนี่ยเขาดีอยู่แล้วเ้าเป็นปกติอยู่แล้วแต่เศร้าหมองไปเพราะว่าถูกกิเลสที่มากับความคิดมันจรมาสู่จิตเป็นคลั่งคราวทําให้จิตเนี่ยมัวหมองเพราะฉะนั้น ใจเราอยู่แล้วที่ต้องระวังก็คือระวังความคิดระวังนิสัยของเราที่ชอบเชื่อความคิดปัญหาคือการเชื่อความคิดแล้วก็ทำตามความคิดด้วยและเข้าไปอยู่ในความคิดยึดมั่นถือมั่น่ในความคิดนี้เป็นเรานี่หนักเข้าไปใหญ่เลยจึงทาให้จิตใจเนี่ยต้องมัวมองไปเพราะนั้นเราต้องมีการฝึกสติให้รู้เท่าทันความคิดมีสติจเจริญสติก็เพื่อให้จิตใจเนี่ยเต็มไปด้วยสติเป็นเกราะป้องกันความคิด ไม่ให้เข้าอยู่ในปรุงแต่งในจิตใจของเราอันนี้สําคัญนะเพราะนั้นจิตใจเนี่ยไม่ต้องไปฝึกฝนก็หลับแต่ฝึกฝนที่นิสัยใจของของเราฝึกขัดดัดนิสัยที่ชอบเชื่อความคิดแล้วก็ทําตามความคิดจึงทำให้จิตใจนี้ต้องมัวมองเราเพียงแต่มีสติรู้สึกตัวไปเรื่อยๆยรู้ทันความคิ ด, ม, คดมันคิดปั๊บรู้ปุ๊บมันคิดปุ๊บมีสติรู้ปุ๊บแค่รู้เฉยๆเนี่ยตลอดดูแลจะให้เป็นปกติแล้ว ไม่ต้องไปขับไล่ความคิดหรือไปห้ามความคิดแค่รู้ทันว่ามันคิดอ๋อจิตก็เป็นปกติแล้วอันนี้เป็นความคิดที่มันปรุงแต่งที่เราไม่ได้เชื่อเชิญจะว่ามันเป็นแขกหน้าเกา่าๆนําเรื่องเก่าๆมาหลอกลวงเราอยู่เรื่อยเรื่อยเนี่ยเรูก็้อง้ทันในตัวนี้นะเป็นความคิดที่เราไม่ได้ตั้งใจคิดแต่ถ้าเรามีสติรู้ทันความคิดที่มันปลุงแต่งบ่อยบเนี่ยเราจะเห็นนะเห็นความคิดที่มันเกิดจากจิตใจเราที่บริสุทธ คือคิดด้วยสติเจนความคิดอิชนิดหนึ่งที่คิดด้วยสติอ่ะที่ไม่ใช่ความคิดที่มันปรุงแต่งอยู่ภายนอกเห็นมันแตกต่างกันความคิดด้วสติเนี่ยจะคิดที่เป็นระบบเป็นระเบียบรู้เหตุรู้ผลรู้ถูกรู้ผิดรู้ดีรู้ชั่วรู้ว่าอะไรเป็นอะไรแล้วก็สามารถใช้ได้เป็นระบบกว่าความคิดที่มันปรุงแต่งบางคนสงสัยว่าเอ๊ะเราจะรู้ได้ไงว่าอันนี้คือความคิดปรุงแต่งอันนี้ความคิดที่เราตั้งใจคิด เราอาจจะแบ่งแยกได้นิดหน่อยก็คือว่าถ้าความคิดปรุงแต่งเนี่ยมันจะมาคิดเกิดขึ้นโดยที่เราไม่ได้ตั้งใจเรากำลังทําอะไรเพลินเเนี่ยกําลังฟังทำมากเพลินเเดี๋ยวมีความคิดมายั่วละปรุงแต่งฟังไม่รู้เรื่องบ้างลำคาบบ้างอันนี้คิดปรุงแต่งแล้วกันนะแล้วมันจะคิดยาวความคิดปรุงแต่งนี่มันยาวบางทีนอนไม่หลับเพราะความคิดสว่างว่ายังคิดไม่จบเรื่องเลยอันนี้เราคิดปรุงแต่งยาวแล้วก็จบได้ยากและคิดแล้วทําให้เราต้องเหน็ดเหนื่อย แล้วก็วิตกกังวลมากยิ่งขึ้นคือความปรุงแต่งบางทีมันคิดข้ามคืนข้ามวันข้ามเดือนข้ามปีข้ามพบข้ามชาติรออยู่นั่นแล้วหุดกิดอยู่นั่นแล้วน้อยใจอยู่นั่นแล้วอันนี้คือเรื่องของการปรุงแต่งที่เราไม่ต้องการนะแต่มันห้ามไม่ได้นักจิตนักใจถ้าเป็นความคิดที่เกิดจากสติปัญญาเนี่ยเพราะมันเป็นระบบมันไม่ยาวคิดแล้วจบได้ไง่ายคิดวางแผน คิดหาเหตุผลคิดแก้ปัญหามันจะรู้ว่าอะไรเป็นไรแล้วก็จะรู้จักวางความคิดในขณะนั้นได้แม้แต่ในขณะที่ปฏิบัติทำจิตวิสติอยู่ก็ตามบางทีมันมีความคิดปรุงแต่งเข้ามาเพราะเราก็รู้ว่าปรุงแต่งแล้วก็มีความคิดที่ตั้งใจคิดโอ้ยความคิดแบบเนี้มันเป็นควาิดปรุงแต่งนะเราไม่ควรยึดมั่นถึงมั่นนะเราก็จะรู้ทันว่าอ๋อนี่ความคิดที่เจตนาคิดตามหลังไปทีหนึงแล้วก็จะคิดว่าอ๋อเราควรจะปล่อยวางมันตอนนี้เรากําลังจริตวิสตินะ เราจะหลงตามความคิดไม่ได้ต้องคิดดีและมีต้องปล่อยวางไม่ก่อนอันนี้เป็นความคิดที่เกิดจากสติแล้วเรกลับมารู้สึกตัวเหมือนเดิมรู้ความคิดทีเฉยๆอันนี้เป็นการดูแลจิตจิตก็เป็นปกติเพราะะฉนั้นจิตไม่ต้องไปฝึกฝนนะเพียงแต่ดูแลให้เป็นปกติโดยการระวังความคิดที่มาปรุงแต่งแล้วก็ไม่ต้องเชื่อความคิดแต่ให้รู้ทันแล้วก็ใช้ความคิดที่เกิดจากสติปัญญาของเราอันนี้เราต้องฝึกหัดปฏิบัติ ฝึกให้มันต่อเนื่องเราที่จะเห็นไอ้ความคิดที่มันหลอกลวงเราได้นะทําให้ต่อเนื่องทําให้ถูกต้องทั้งในรูปแบบและก็นอกรูปแบบในแต่ละวันเนี่ยก็ให้มันสม่ําเสมอกันเราปฏิบัติในรูปแบบแล้วอาจจะเดินจงกรมแล้วก็รู้สึกตัวไปแต่ละก้าวก้าวแต่ละก้าวก็รู้สึกรู้สึกเราต้องทําให้ต่อเนื่องพอเลิกจากการเดินจงกรมแล้วเราก็อย่าเลิกเลยอย่าทิ้งสติเอาไว้อย่าลืม เดินเข้าห้องน้ําก็มีสติตามรู้เดินไปดื่มน้ําก็มีสติตามรู้คือรู้ไปต่อเนื่องไปเรื่อยๆอย่างเงี้ยทั้งในรูปแบบและก็น่ารูปแบบผสมผสานกันมันก็จะเป็นการพัฒนาที่สมบูรณ์การทําที่ให้ผลเร็วเนี่ยก็คือทําอย่างต่อเนื่องแล้วก็ทําอย่างถูกต้องสําคัญนะต่อเนื่องแล้วก็ถูกต้องต่อเนื่องนี่เป็นความเพียรถูกต้องเนี่ยถือว่าเป็น การปฏิบัติที่ไม่ผิดทางถ้าเราทําถูกต้องแล้วแต่ไม่ต่อเนื่องประโยชน์มันก็จะได้น้อยถ้าทําต่อเนื่องมา น, นานขยันทําบ่อยๆแต่ว่าทําผิดเนี่ยมันก็ไปในทางผิดต้องสมดุลกันระหว่างการถูกต้องกับการต่อเนื่องสมมุติว่าเราปลูกต้นไม้ไว้ต้นหนึ่งปรุงสีเลาต้องมีการรดน้ําเราต้องรดน้ําให้ถูกต้องถ้าเราได้ถูกต้องนี่ ต้นไมน้อาจจะไม่ได้กินน้ำก็ได้นะเทียนต้นไม้เาก็จะมีทรงพุ่มเราไปรดที่โคนต้นมาเนี่ยบางทีรากก็จะไม่ได้ดูดน้ำรากของต้นไม้เนี่ยมันจะต้องแผ่ขยายมาเท่ากับทรงพุ่มแล้วก็รดรอบๆโคนต้นให้อยู่ระดับทรงพุ่มเรากก็จะดูดน้ำอย่างถูกต้องเนี่ไหมเหมือนการให้อาหารที่ตรงปากของเราไปให้ตังจมูกมันก็กินไม่ได้รดน้าให้ถูกต้อง รถที่รับรอบทรงพุ่มแต่ต้นไม้ก็จะดูดอาหารได้ถูกต้องแล้วก็ต้องรดให้ต่อเนื่องคือรดตอนเช้าและก็ลดตอนเย็นให้ต่อเนื่องทุกวันคำว่าดต่อเนื่องนี่ไม่ใช่ลดทั้งวันนะรดทั้งวันนี่ก็ไม่ถูกต้องอีกต้นไม้สำลักน้ำตายรดเป็นเวลาตอนเช้าตอนเย็นทุกๆุกวันนะต้นไม้ก็จะเจริญเติบโตการปฏิบัติธรรมก็เหมือนกันการเจริญสติก็เหมือนกัน การทำความดีก็เหมือนกันต้องทำให้ถูกต้องและก็ต่อเนื่องทำความดีแล้วก็ต้องทำบ่อยๆมันจึงจะเห็นผลความดีไม่ต้อทำความดีครั้งเดียวแล้วก็รอผลให้ได้มากๆอันนั้นยังไม่ใช่การเจริญสติก็เหมือนกันต้องรู้สึกตัวให้ต่อเนื่องให้เกิดความชำนาญและให้ถูกต้องรู้อย่างไรถูกต้องคือรู้ให้เป็นแบบธรรมชาติรู้เฉยๆธรรมดา ไม่ต้องบังคับไม่ต้องเพ่งไม่ต้องจ้องปล่อยทุกอย่างเป็นไปนตามธรรมชาติแล้วก็รู้ตามธรรมชาติแล้วต้องรู้นานนารู้บ่อยๆรู้และทุกอิเลียบทตลอดทั้งวันลืมตาตื่นขึ้นมาก็รู้สึกตัวให้ต่อเนื่องคําว่าต่อเนื่องนี้ไม่ใช่ว่าจะต้องไม่หลงลืมนะหลงลืมได้แต่ลืมแล้วเราก็กลับมารู้สึกตัวหลงไปเราก็รู้ต่อเนื่องแหงละหลงเผลอไปเราก็รู้เพราะนั้นการรู้ต่อเนื่องนี้ไม่ใช่ว่า ต่อเนื่องติดต่อกันเป็นเหล็กเส้นนะนไม่ใช่เรารู้แบบโซ่ที่คล้องเป็นเปาะเปาะเพราะสติมันก็ไม่เที่ยงมันเกิดขึ้นแล้วมันก็ดับไปแต่มันเกิดไวดับไปแล้วเกิดไวหลงก็ไม่หลงนานเผลอไปก็ไม่เผลอนานสติก็จะต่อเนื่องเผลอไปแล้วกลับมารู้ต่อเนื่องไปเรื่อยๆอย่างนี้แหละอันนี้ถือว่าทําได้ตลอดทั้งวันบางคนบอกว่า เวลาทําในชีวิตประจําวันแล้วมันมนักจะเผลอจะหลงก็ไม่เป็นไรนะการเผลอการหลงเป็นเรื่องธรรมดาแต่เราก็เริ่มต้นรู้ใหม่ก็ได้ไม่ผิดเรายังเป็นผู้ที่เดินทางอยู่เรายังไม่เป็นผู้ที่บรรลุธรรมสติเรายังไม่เต็มร้อยเราค่อยค่อยฝึกฝนไปสําคัญที่ว่าเราต้องปฏิบัติต้องลงมือทําเอาเองจะไปอ้อนวอนขออะไรอย่างนั้นอย่างนี้ไม่ได้ศา ส, สนาพุทธไม่ศาสนาที่อ้อนวอนเป็นศาสนาที่ต้อง ทำเอาเองพึ่งตัวเราเองก็โดยการปฏิบัติให้มีขึ้นในตัวเราด้วยฝีไม้ะายมือของเรานี่แหละเราจรึงได้ที่พึ่งคือธรรมะเอาไว้ดูแลรักษาใจของเรา